ลำดับนั้นพิสูจเหล่านั้นก็บังเกิดความคิดว่าท่านพระมหากัจจยนะนี่แหละอันพระศาสดาทรงยกย่องแล้วยกย่องไหยท่านเก่งขนาดไหนเ น, นติประกรณ์นะไปฟังดูไปเรียนดูจะรู้ว่าท่านจนถึงกับพระพุทธเจ้ายังชมอย่างนั้นเถอะพระพุทธเจ้ายังชมเพื่อนสัพพรมอาจารย์ผู้เป็นวินยูชนวินยูชนคือภาษาลิบุตรพมก์คาลานะคนเก่งเขาก็ยกย่องพระมหากัจจยนะทั้งนั้นแหละที่ขยายเนื้อความแห่งภาษิทิโดยย่อให้ พิสดารเป็นเอตทักคะด้านนี้เลยแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ายกย่องพระอรหันต์หลายๆองค์ก็สรรเสริญท่านพระมหากัจรยนะนี่แหละองค์นี่แหละสา ม, มารถจะชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อแต่ไม่ทรงชี้แจงให้พิสดาพรพระมหากาจยนะสา ม, มารถทําให้พิสดารได้เพราะฉะนั้นนะพวกเราควรเข้าไปหาท่านพระมหากัจรยนะถึงที่อยู่แล้วก็สอบถามเนื้อความนี้ กะท่านพระมหากจัจจยนะอันนี้เขาปรึกษากันก่อน น, นะนะพระพุทธเจ้าหายไปแล้วทําไงดีคะเนี่ยเรื่องเราก็ยังเข้าใจไม่ถูกปรุโปรงเลยเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ไปแล้ว อ, อนึกถึงพระมหากจัจจยนะลําดับนั้นพิสูจนเหล่านั้นได้เข้าไปหาท่านพระมหากจัจจยนะถึงที่อยู่ได้ปราศัยกับท่านพระมหากจัจจยนะครั้นผ่านการปราศัยพ่อให้ระลึกถึงการไปแล้วก็พากันนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วก็ได้พูดกับท่านพระมหากาจยนะว่าข้าแต่ท่านพระมหากจจยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงอุเทศคือหัวข้อเหล่านี้ไว้อย่างย่ออย่างนี้ว่าอย่างนี้นะที่กล่าวทวนอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นชา้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะอายตนะใดเหตุคือดอายตนะใดถ้าการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือกล้ามกลืนไม่มีในอายตนะนั้นแปลว่าเลิกเพลิดเพลินในอายตนะเลิกยึดถือในอายตนะเลิกกล้ามกลืนในอายตนะเพราะตรัสรู้พระนิพพานเป็นที่ดับความเพลิดเพลินนั้นแล้วอันนี้แหละที่เป็นที่สุดแห่งภวะราคานุสัยที่จริงคําแรกนะบอกว่าสัญญาเครื่องเนิ่นช้าครอบงําบุรุษเพราะอายตนะใดนี้เป็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะการที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือไม่กล้ามเกรือน การที่บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ามกลืนไม่มีพ่ออายตนะใดอันนี้เป็นนิโรสัจจะเนี่ยนะเป็นนิโรสัจจะถ้ากล่าวพระนิพพานก็ชื่อว่ากล่าวอริยมรรคแล้วมั้นพระนิพพานที่ที่ดับความเพลิดเพลินดับความยึดถือดับความยึดกล้ามกลือนในอายตนะพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่ง ราคานุัสเป็นที่สุดแห่งปฏิคานุใสเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุัสเป็นที่สุดแหง่งวิจิกิจฉานุัยเป็นที่สุดแหง่งมาน า, านุัสเป็นที่สุดแห่งภวะราคานุัสเป็นที่สุดแห่งอวิชานุัสพันนิพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการจับถอนไม้จับสาตราการทะเลาะการถือเอาผิดการโต้เถียงการด่าการว่า การส่อเสียดยุยงพระนิพพานนี่แหละเป็นที่สุดแห่งการกล่าวเทศที่สุดแห่งการที่สุดที่ดับอกุศลธรรมเหล่านี้โดยไม่มีเหลือในอายตนะทั้งปวงนั้นเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารพระองค์ก็เสด็จกลับไปยังอาสนะที่ประทับเสียอันนี้แค่เรามาเล่าเล่าเท้าความให้พระมหากระจายนะฟังใช่ไหม คือคือการที่จะถามอะไรไม่ถึงเงยกมาถามเลยไม่ใช่ก็เท้าความหลังให้ฟังบ้างแต่บางคนเนี่ยมันเท้าซะจนหมดเวลาตอบเลยว่างั้นนะนะอมาเนี้เจอมันหลายเจ้ามันอุ้ยเท้าอยู่นั่นแหละเท้าจนว่นสรุปว่าก็อยากถามอะไรก็ถามเหอะเนี่ยจะได้เลิกสักทีจะได้ไปเข้าห้องน้ําบ้างอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะบอกตรงๆไม่ครับนะก็เป็นอย่างนั้นจริงเท้าซะจนอุ้ยสมัยพระร่วงนั่นนะ ไม่พ่อคุณไหนก็ไม่ทราบยกมาเทา้าซะจนทางการณ์สมัยที่เนี่ยนะนั้นมันก็เกินไปแต่ว่าถ้าให้พอดีให้มันตรงประเด็นว่างั้นเถอะแต่ว่าการที่จะวิเคราะห์ก็ต้องอสอบสวนว่าเออเรื่องราวก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่เฟือจนหน้ารําคาญเนี่ยนะคิดว่าถ้าหากว่าคนที่เขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาก็ถามเองกันแหละเขาก็ถามเองกันแหละเขาก็หาข้อมูลเพิ่มเองนั่นแหละไม่ต้องละเอียดยิบถึงขนาดมากมายบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าถามหรือปา่าตกถาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ บอกเออสรุปเนี่ยพูดมาตั้งนา น, นถามว่าอะไรอ้าวเขาบอกว่านี่จะถามว่าอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมไม่ถามอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะไม่ได้ต้องอพูดสยาวเลยเงี้ย น, นะที่จริงบางทีมันก็สองรทัศเท่านั้นและแต่บางเรื่องเนี่ยยาวเฟ้ยเลยเนี่ยนะก็ว่าหาความพอดีให้พบกันล้กันเนี่ยการันยูบุคคลพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเนี่ยรู้การเนีะมาตันยูบุคลคลก็รู้ประมาณ อัฏฐนอยู่บุคคลรู้ผลรู้รู้ประโยชน์ทำ ม, มันอยู่บุคคลเขาเรียกว่ารู้เหตุหรือรู้ธรรมะเนี่ยเราต้องเข้าใจองค์ประกอบมันเยอะนะในพุทธศาสนาเรานะสรุปว่ า, เ, าเมื่อพระพุทธเจ้าไม่อยู่อย่างนี้แล้วนะท่านพระหมหากจจยนะเมื่อพระองค์หลีกไปอย่างนี้ผมก็บังเกิดความสงสัย ว่าพระพุทธเจ้าไม่แสดงโดยพิศดานใครนาะจะตอบได้ก็มีแต่พระมหากาจยนะก็เลยระลึกถึงพระมหากจัจรยนะนี่แหละขอเพื่อจะสอบถามเพราะฉะนั้นขอท่านพระมหากาจยนะจงชี้แจงไปเถิดนะสรุปว่านี่นี่เป็นคําถามนะั่นเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะขอให้ท่านช่วยชี้แจงหน่อยว่าเรื่องราวหรือจะเอามาเป็นข้อปฏิบัตินี่เป็นอย่างไรคือคําของคนสมัยก่อนเนี่ยนะ เขาจะไม่ใช้ประโยชน์ว่าเ อ, อคํานี้เป็นปริยัติคานั้นเป็นปฏิบัติคํานี้ทําตามได้คํานี้ทําตามไม่ได้นี่เป็นไปได้นี่เป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ถกเถียงในประเด็นนั้นเลยจะไม่มีเขามีแต่บอกว่าสวาขาโตพระควาตาธรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเราจะเข้าใจพระธรรมนั้นได้อย่างไงใครจะบอกให้เราเข้าใจพระธรรมอันนี้ซึ่งเราปฏิบัติตามแล้วพ้นทุกข์ได้เขาไม่จะไม่พูดว่านั่นมันปริยัติ นี่นปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะหายากมากมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละที่คล้ายๆแบบที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยนะก็มีพระพิกสุรูปหนึ่งเนี่ยเป็นนักกวาดกวาดทั้งวันเลยนะชั้นเสร็จก็กวาดกวาดซะจดโน้นนะส่งน้ํานอนตือนเช้ามาก็อาชีพหลักคือกวาดเสร็จแล้วก็ไปชวนพระเรวตะโอ๊ยทําไมท่านก็ไม่ขยันเลยนั่งอย่างเดียวไม่กวาดไม่อะไรเลยอะไรบอกเอาไปส่งน้ําแล้วกันท่านก็เชื่อนะท่านก็ไปส่งน้ําบอกมานั่งนี่อันนีนมาท่องผมคนเล็บฟันนะท่านก็แนะนําให้องค์นี้ทํำไม่นานก็เป็นพระารหาร นะตอนหลังพระพิสุก็ถามว่าทําไมท่านไม่กวาดเราบอกเมื่อก่อนโมต่กวาดข้างนอกอยู่เพราะงั้นตอนนี้ก็กวาดันนี้แล้วคือถ้าอย่างนั้นอาจจะมีนะแต่นี้แต่แต่แตถ้าถ้าในเกี่ยวกับด้านนะพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นละเขาถือว่าพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพียงแต่ว่าที่สําคัญว่าจะเข้าใจคําสอนนี้ให้ตรงให้ถูกต้องได้อย่างไรประเด็นเขามีอยู่ตรงนั้นเขาจะไม่บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ดีเนี่ยพระองค์ไม่นี่ทุก ไม่ใช่สวากขาโตภควตาธรรมโมนะนี่ไม่ใช่แต่บอกนี้สวาขาโตภควตาธรรมโมแต่เราทั้งหลายปัญญาน้ยที่จะเข้าใจทํายังไงจะเข้าใจเนื้อความอันนี้แต่ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าใจเนื้อความอันนี้เนี่ยนะเหมือนพระเจ้าอาชาตศัตรูเขามีแม้เกิดปัญหาเขาอยากจะรู้เรื่องสามัญญผลผลที่สา ม, มารถจะพึงประจักษ์ได้ในปัจจุบันนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเขามีในสามัญญผลสุรอันนี้เรื่องเล่าเขาเรียกว่าถามเรื่องตอบเรื่อง แต่ก็ไปไปไปตั้งคําถามขึ้นมาเลยบอกว่าเอ้าเนี่ยคืออาชีพในโลกนี้ถ้าทํามาหาเลี้ยงชีพทั่วไปจะเลี้ยงบุตรเลี้ยงภรรยาเป็นต้นได้เออแล้วบวชเนี่ยมันมีสามัญจะผลอย่างไรเออประโยชน์ของการบวชประโยชน์ของความเป็นสมณนะประโยชน์ของการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมียังไงไปถามพระเจ้าชาติศัตรูไปเที่ยวถามครูทั้ง6คนหนึ่งก็ตอบบอกโลกเที่ยงมหาภาพิษคนหนึ่งบอกโลกไม่เที่ยง อีกคนหนึ่งนะโอ้ยเวียนว่ายตายเกิดไปเดี๋ยวมันก็บริสุทธิ์มันเองอีกคนหนึ่งก็บอกฉีบก็อันนั้นสรีระ ก, ก็อันนั้นมันมีแต่ธาตุสีประชุมกันมันข่าก็ไม่เป็นอันข่าบุญไม่มีบาปไม่มีโอ้ตอบไปเรื่อยเปื่อยเลยนะพระเจ้าชาติสตร์ก็บอกว่าถ้าพระเจ้าถามขนุนถามมะม่วงก็ไปตอบขนุนสมัลลอกอ่างนั้นถามขนุนสมัลลอกไปตอบมะม่วงมันก็คู่นี้คนเรื่องนี่ก็เหมือนกันจะต้องไปถามหาคนที่ตอบตรงประเด็นไม่ใช่วะเราเราทรงจําพระธรรมเหล่านี้ได้ใช่ไหม เราไปถามผิดคนเข้าเขาไม่ตอบเราเรื่องนี้บอกอย่าไปสนใจเลยเรื่องนั้นเอามาเรื่องนี้ดีกว่าอ้ําคนละเรื่องไปแล้วอย่างอันนี้ต้องจับประเด็นให้ดีๆนะในการศึกษาพระธรรมคําสอนไม่งั้นตอนแรกกลายเป็นเรื่องของศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนหลังเอาไม่ใช่และตอนแรกนะทุกคนบอกฉันเป็นชาวพุทธพุทธังสารนางคัตฉามิพอไปนานๆ น, นะมันติดเสื้อค่ายไปละ ชั้นค่ายนั้นชั้นค่ายนี้เออเธอคนละค่ายกับชั้นอย่างไงเน่ยเอ๊ะมันอะไรกันแน่ตอนแรกก็นักถือพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆตอนหลังบอกไม่ใช่แล้วนะเป็นศิษย์อาจารย์นั้นอนั้นครูนี่อาจารย์โน้นอาจารย์นี่ค่ายนั้นค่ายนี้เออมันอะไรกันเนี่ยอนึกตอนแรกว่าเป็นชาวพุทธอยู่ดีๆตอนหลังมันเปลี่ยนมาอ่เมื่อไหร่เหมือนกันเออมันเป็นอย่างนี้ไปได้นอสัพเทสตา เวลาโหนตุจะได้บีเวณเลยยแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนหลังก็หนักๆเขาก็ไม่ได้จะพูดทางสารานางังฆะฉามิแล้วมีแต่อาจารย์ยังสารานางังฆะฉามิแล้วเนี่ยนะเราเหลือแค่นั้นนะะถ้าพระไตยวิฎกพูดพูดอย่างหนึ่งอาจารย์พูดหนึ่งฉันขออยู่ข้างอาจารย์หนึ่งก็ ก, กลายเป็นอย่างเงี้ยเอาพระพุทธเจ้ารู้พระไตยวิฎกอย่าไปเรียนอย่าไปศึกษาอย่าไปนั่นเลยแต่เชื่อคนสมัยนั้นเขาจะไม่พูดแบบสมัยนี้เด็ดขาด เขาจึงมีผ้าเรียกเจ้ากันแต่สมคนสมัยหลังเนี่ยพูดอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเขาบอกอุยวิชาเก่าแก่นะโบราณคล่ําครือเขาว่างั้นไม่ดีจริ ง, ย ง, งอย่างงั้นอย่างงี้แต่คุณเชื่อไหมเขาสืบทอดศาสนามาถึงปัจจุบันได้ของพวกเราทําสมัยไฮเทคนะเชื่อไหมอาจจะไม่ถึงหลานก็ได้เนี่ยนะชักจะไม่ถึงลูกไม่ถึงหลานก็ได้เนี่ยนะพระมหากระจียนะเนี่ยเขามานึกสนใจนะอุยพระมหากระจียนะเงียบนิ่งสงบมีปัญญาฉลาดพูดน้อยแต่ได้งานได้การเป็นต้นเนี่ยนะ เชื่อไหมท่านรักษ า, าศาสนาให้ถึงพวกเราพวกเรายุคนี้เก่งกันเหลือเกินเนี่ยคือถึงหลานหรือเปล่านาะเนี่ยเนยเ น, นี่ังงงๆขอให้มันถึงหลานถึงเลนบ้างเถอะเนี่ยนะถึงลูกก็จะไม่ค่อยถึงนี่แล้วนะี่ยจะว่าถึงหลานถึงเหลนเลยคุยกับลูกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องะเก่งนักไม่ใช่เหรอประมานะบอกโอ้ตําหนิบนรรพบุรุษมโ ง, ง่เขาไม่ฉลาดเลยนะแต่เขาเลี้ยงพวกเรารอดมาได้กันแล้วกันแต่ของพวกเราเนี่ยแม่รุ่นหลังๆต่อไปมันทํากันยังไง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเขาเขาเราเนี่ยนับถือโบราณท่านนะเรานับถื อ, อเอาถือคนยุคนี้เป็นสารณะให้มากเลยวิดีจริงหรอกเนี่ยนะถ้าดีจริงเขาก็เป็นอะไรนะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนก็เอาสำรวจเครื่องตรวจเครื่องวัดมาจับดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้ามันเป็นดีแล้วล่ะเขามาว่านะถ้าถูกไงเขามานุโมทนาด้วยมันไม่ผิดหรอกดีแล้วล่ะแต่ถ้ามันผิดมันก็แปลว่าไม่ใช่ถูก แล้วทํายังไงให้มันถูกถูกแล้วมันจะได้พ้นทุกข์ถูกแล้วมันจะได้ดีทําอย่างไรจึิงจะถูกต่างหากเล่าทีนี้พระมหากาจรยนะท่านก็เก่งจริงๆนะมาดูว่าวิธีการตอบปัญหาของท่านโอ้ยมาเลยชั้นระดับอาจารย์ใหญ่ไทยก็ชมชั้นดังนั้นเธอมาถามถูกที่แล้วไม่มีเขาจะไม่คุยกันอย่างนี้หรอกพระมหากาจัจรยนะก็เลยตอบว่าในข้อ247ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการแก่นไม้นะเรียกว่าต้องการแก่นไม้ว่างั้นเถอะแก่นจันท์เป็นต้นเนี่ยก็เที่ยวสแสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่เสร็จแล้วก็ล่วงเลยโคลนไม่สนใจโคลนต้นซะลำต้นก็ไม่เอาตรงตรงลำต้นที่มีแก่นก็ไม่เอาสำคัญว่าสแสวงหาแก่นที่กิ่งและใบไปเด็ดดูซิใบไหนมีแก่นอย่างเงี้ย น, นะ ไปเด็ดกิ่งย่อยๆยกิ่งเล็กๆดูซีไหนใบไหนเป็นแกนพระมหากาจรยนะพูดอย่างนี้ไม่ได้เปรียบเกินเลยเลยเพราะพระพุทธเจ้ากับพระมหากัจรยนะห่างกันนักแลถ้าเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างเนี่ยนะใช้สปอตไลท์มันจะสว่างจริงยังไงก็ช่างถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์น่ะต่างกันเยอะไหมเห็นว่าใช้สปอตไลท์มันจะสว่างขนาดไหนกี่หมื่นวัดก็ช่างแมันก็สว่างนิดเดียวถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์ยังห่างดวงอาทิตย์นักว่า ง, งั้น ชั้นใดเขบอกว่าที่ท่านบอกว่ากิ่งกับใบกิ่งใบกับแก่นเนี่ยนะมันห่างกันนั้นก็ไม่ผิดเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านดูหมิ่นตัวท่านนะไม่ใช่แต่ถ้าเปรียบท่านกับพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเปรียบกับคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยโอยห่างกันหลายชั้นนัก น, นะท่านเขาบอกเปรียบว่าข้ออุปมาัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระศาสดาทรงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็เลื่องเลยพระองค์ไปเสียก็เหมือนล่วงเลยโคนล่วงเลยลําต้นที่มีแกน่นแล้วก็กลับมาไต่ถามเนื้อความนี้กับผมนะก็เหมือนก็ว่าแม้เลยเลยแก่นเลยเลยโคนเลยแก่นมาแล้วมาถามหาที่กิ่งที่ใบดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมาดูคําของผู้มีปัญญาชมพระพุทธเจ้า ว, ว่าอานนพระมหากระจยนะชื่นชมสรรเสริญพระพุทธคุณว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้รู้ก็รู้จริงละ่ะ เห็นก็เห็นจริงเหมือนกันผู้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์เนี่ยทรงมีจักษุคือมีดวงตาพระองค์นี่ทรงมียานะพระองค์มีธรรมะพระองค์เป็นพรหมคือเป็นผู้ประเสริฐผู้เผยแผ่พระธรรมคืออริยสัจธรรมผู้ประกาศอริยสัจธรรมผู้ขยายเนื้อความโดยย่อให้พิสดารพระองค์เป็นผู้ให้อมตะคือพระนิพานพระองค์เป็นเจ้าของแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นเจ้าของแห่งโพธิปักขยธรรมพระองค์เป็นพระตถาคต คือผู้สเสด็จมาเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตพระองค์เนี่ยปฏิบัติเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานผู้ตรัสรู้ธรรมที่ทองแท้มีวาทะที่ท่องแท้ตรัสรู้ธรรมะที่จริงแท้พระองค์มีปกติพูดอย่างใดก็ทําอย่างนั้นเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่ถูกต้องนะเป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจักทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแก้อย่างไรท่านทั้งหลายก็ควรจําเอาไว้อย่างนั้นพระองค์แก้ยังไงตอบจําไว้อย่างนั้นแหละนี่แหละถูกต้องที่สุดนะไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมฟังดูแล้วพระหมหาการชนะเนี่ยท่านท่านยังไม่ตอบว่างั้นคือจริงๆแล้วถามว่าจะว่าท่านเล่นตัวไหมตั้งเง่ตั้งงอ น, นตั้งอะไรบอกไม่คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือท่านรู้ฐานะตามที่เป็นจริงพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาท่านเป็น สาวกเนี่ยนะท่านถ้าอยู่ในสำนักภาษาสดาเนี่ยนะทุกคนก็จะเคารพในภาษาสดาเมื่อเคารพในภาษาสดาภาระทั่วๆไปก็เอาและแต่ภาษาสดาถ้าณที่ตรงนั้นศาสดาไม่อยู่ไม่อยู่ในสำนักของภาษาสดาก็ว่าไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แม้แต่ภาษารีบุตรก็เป็นอย่างนี้นะภาษารีบุตรคือทุกองค์จะไม่ค่อยออกความเห็นเพราะทุกอย่างอนุวัตตามพระพุทธเจ้าไปหมดเมื่อที่ใดที่ในอนาบริเวณเขตนั้นๆ ตำบลแห่งนั้นที่ท่านจาริกไปแล้วสถานที่ตรงนั้นพ ร, พระพุทธเจ้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นก็บอกว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรก็โอนออนโอนอ่อนผ อ, อ, อมตามคําสอนทั้งนั้นเขาจะไม่มีอะไรไปแบบล่วงละเมิดล่วงเกินกันเพราะฉะนั้นสายพระสายีบุตรทะเลาะ ก, กับสายพระมหากัจจายนะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์นันะ เพราะฉะนั้นลูกศิษย์สาวกของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยโอนตามยอดคือพระพุทธเจ้านะรวมลงที่พระพุทธเจ้าจะเป็นไปตามคําสอนหมดเลยเพราะทุกคนเนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนมีดวงตาเห็นพระพุทธรัตนะเห็นพระพุทธคุณอยู่แล้วก็ไม่รู้จะมาถกเถียงกันเรื่องแสงสว่างกันไปทำอะไรเนี่ยพวกเราทั้งหลายเคยนั่งหสมมติเนี่ยมีทุกคนมีตาและมีแสงแห่งดวงอาทิตย์แล้วส่องมาเราเคยทะเลาะ ก, กันเรื่องแสงสว่างไหม ใครเคยนั่งทะเลาะกันเนี่ยตรงนี้มันนี่มันสว่างนี่มันสว่างออกแดงแดงอันนี้สว่างออกเหลืองเหลืองนี่สว่างออกเขียวเขียวเออนี่มันสว่างเคยเคยเคยได้ยินใครทะเลาะกันไหแล้าใครทะเลาะอย่างนี้เขาว่าคนน่ะหนึ่งตาบอดสีสองก็คนบอดตาใส่มันก็มีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คุยในประเด็นนี้เพราะอะไรเพราะมันเข้าใจกันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรสมัยนั้นเขาเป็นอย่างนั้นทุกคนอนุวัตโองอนอ่อนตามพัฒนาตรัย ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ศัก์แต่ว่าความเชื่อไม่ใช่แต่เขาเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่รู้ จ, จะไปอะไรกันยังไงนะเพราะทุกคนก็มีแต่เรียกว่าก็เลยใช้คำว่าสุปฏิปันโนคือทุกคนปฏิบัติ ด, ดีเมื่อทุกคนปฏิบัติดีเนี่ยพระองค์บอกอยู่แล้วว่าภัยทั้งหลายไม่ได้เกิดจากบัณฑิตอุปสรรคไม่เคยเกิดจากบัณฑิตเนี่ยนะอันตรายทั้งมวลไม่เคยเกิดจากบัณฑิตเกิดจากคนพาทั้งนั้นคําสอนที่บริสุทธิ์จะไม่ได้เกิดจากออคําสอนที่ ที่เสียหายไม่ได้เคยเกิดจากบัณฑิตเลยเกิดจากคนพานทั้งหลายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพาน ล, ลักษณะบัณฑิตลักษณะอันนี้ต้องสําคัญเราก็ต้องดูว่าพยายามดูจริงๆว่าโบราณนี่เขาทํากันยังไงก็มาเขาบอกอ่ยใครจะว่างมงายก็งมงเถอะเนี่ยนะก็ไม่รู้ดีกว่างมอย่างอื่นก็แล้วกันมาถ้างมหาพระัตนะใต้จนพบเนี่ยดีที่สุดแล้วว่างั้นถ้างมหาอย่างอื่นในทะเลเนี่ยยมว่าจะได้อะไรเนี่ย ก็เขางมโคลนหาอะไรกอย่างเขายัางทํากันเลยใช่ไหมนี่เราห ง, งมจากพระตรยปิฎกแล้วหาพระรัตนตรายหาพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะโอ้ยนํามาเป็นบุญของเราแล้วโอกาสแบบนี้จะไปหาที่ไหนอีกลายเป็นมาคิดอย่างนี้นะนการที่เราจะเข้าใจว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกอะไรท่านสอนอะไรวัตถุประสงค์ของคําสอนทั้งหมดเนี่ยคืออะไรพระอาหารตสาวกทั้งหลาย ท่านทำกันอย่างไรท่านแนะอะไรกันท่านบอกอะไรกันแล้วคนที่ฟังเขาเข้าใจอะไรและเข้าใจว่าอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราจเจริญในคําสอนแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจเจริญในคําสอนของคนอื่นเข้ามาว่านั้นถ้าโดยส่วนตัวนะเนี่ยถ้าอ้างพระพุทธเจ้าก็ยังพอบินธบัดได้ฉันบ้างถ้าอ้างคนอื่นเมื่อไหร่ไม่รู้ใครจะใส่บาตบ้างหรือเปล่าเขาไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นยังไงก็พุทธังสันนังขะฉ า, ม, ามิโอนตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเถอะอย่าไปใส่เสือเส้อกั๊กเสื้อไข่ไข่นั้นไข่นี้มีประโยชน์กันนะ พระพิสูจน์เหล่านั้นเนี่ยนะท่านก็เคารพ น, นะว่าเออผู้ใดดีจริงมีปัญญานะท่านก็เคารพว่าพิสูจนเหล่านั้นก็กล่าวตอบแก่พระหมหากจัจจายนะด้วยความเคารพ น, นะเพราะว่าพระหมหากจัจจายนะอันนี้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญแล้วก็ออพระเพื่อนพรหมจรีมีภาษารีบุตรเป็นต้นก็ชมเชยนะ ก็เลยบอกว่าข้าแต่ท่านพระมหาการยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ทรงเป็นผู้มีจักรสมีพระยานผู้มีธรรมผู้เป็นพรหมผู้เผยแผ่ผู้ประกาศผู้ขยายเนื้อความเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมเป็นพระตถาคตและเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่กระผมทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแท และพระองค์ทรงแก้ไขอย่างไรกับผมทั้งหลายก็ควรจะจำไว้อย่างนั้นจ ร, จริงอยู่ใช่สิ่งที่ท่านบอกมาถูกต้องทั้งหมดไม่พลาดแต่ว่ามีแต่นี่สิแต่ว่าท่านพระมหา迦ยนะนั้นอันพระาศาสดาก็ยกย่องแล้วและเพื่อนพรหมจันทร์ผู้รู้ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนเนี่ยนะมีภาษาลิบรเป็นต้นก็สรรเสริญแล้วและท่านพระมห า, านะก็มีความสามารถ ที่จะชี้แจงเนื้อความแห่งอุทเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ที่พระองค์ยังไม่ได้ชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้ขอท่านพระมหากาจัจรยนะโปรดชี้แจงเถิดอย่าทําความหนักใจเลยนะก็ส่วนคําชี้แจงก็ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วพระมหากาจรยนะชี้แจงว่าอย่างไร